ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสาเหตุที่จะเกิดขึ้นเราก็ทราบแล้วว่าไม่เห็นความตําคการของคนอื่นเห็นแต่ความส้องการของตัวทองตนถ่ายเดียวที่จะถูกหรือขดนั้นไม่คำหนึ่งนี่เราพูดถึงภาพทั่วไปสำหรับศาสนา ม, มีความต้องัาต่อโลกที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะให้เห็นความสําคัญของกันและกัน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 จิตที่มีความเยอกเย็นโดยลําดับนี่แหลคือจิตมีธรรมในใจก็เรียกที่อาหารประจําใจก็เรียกนับตั้งแต่ส่วนน้อยไปถึงส่วนมากจะต้องปรากฏขึ้นที่ใจและจถิตอยู่ที่ใจถาชนะคือใจก็ฟองสายเข้าโดยลําดับท่านพิณสอนให้ภาวนาคําว่าภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย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 องค์องสมาธิแท้เป็นอย่างหนึ่งอันหนึ่งเราจํามาคือสมาธิเป็นขก็ได้ความจํารู้ได้ความจําสมาธิสิ่งที่เป็นขึ้นธ า, านากิจคือความสงบเยือกเย็นนั่นเป็นความจริงปรากฏขึ้นกับเราเราทําความเข้าใจว่าอย่างนี้เพียงสมาธิคือความสงบร่มเย็นนั้น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 ขนาดนั้นมีความสุขขนาดนั้นสมาธิขั้นนั้นมีความสุขขนาด น, นั้น น, น, ขข น, น, น, น, นะแล้วก้าวทางปัญญาปัญญาเป็นการบุกเบิดบุกเบิดี่เรกอาสวระรที่หมอบหรือที่สงบตัวอยู่ภายในจิตใจนึกเกี่ยวเนื่องกักบ ส, สิ่งใดแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาธรรมราจิตที่เป็นสมาธิจะมีความแน่วแน่หรือมีความรู้อยู่โดยลําพังตเนเองเท่านั้นปรหนึ่งว่าไม่เกี่ยว ข, ข้องกับอะไรไม่ติดข้องกับอะไรทั้งนั้นมีแต่ความรู้ล้นล้วนอยู่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 เพราะเห็นผล <c oughs> พลิจารณารูกให้แหลกละเอียดไม่เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวกีตตลบทบควรไม่สำคัญสำคัญที่ความชำนิํำนานสำคัญที่ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในคาดในขันของตนเมื่อเข้าใจเต็มที่แล้วระหว่างการพิจารณาคือระหว่าง่าขันกับจิตนี้จะปล่อยวางกันอันใดที่พิจารณาเข้าใจแล้วจิตจะไม่ไม่ยอมไปพิจารณาอีก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 ผูควรแนะนําสั่งสอนได้หลายครั้งแลายหนก็นสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ปะทัพปรมะหูหนวกตาบอดทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแม้ชีวิตยังมีอยู่ก็ไม่มีความหมายใดเลยเพราะหยัดโข้าบูโมคาสัตตดิไม่มีสาระอนไรเลยภายในจิตใจเรียกว่าปทัพปรม ะ, ะ, ะมืดแปดด้านเลยคนประเภทนี้ศาสนาเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ทรงสั่งสอนถ้าเป็นโรคก็เรียกว่าโรค